สนิพพานสุขสูตรว่าด้วยนิพพานเป็นสุขสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวลวันกลันตกานิวาปสสถานเคกรุงราชครึกณนะที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายนิพพานนี้เป็นสุขนิพพานนี้เป็นสุขเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรก้อนิพพานนี้ไม่มีเวทนาจะเป็นสุขได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุนิพพานที่ไม่มีเวทนานั่นแลเป็นสุขกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันหน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูละถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ้าโพธะะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันหน้าปรารถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำนัดผู้มีอายุกามคุณห้าประการนี้แหลผู้มีอายุสุขสมนะที่อาศัยกามคุณหประการเกิดขึ้นเรียกว่ากามาสุขภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและถึงปัรลุปถมฌานและถึงถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยการยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุก์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนุิการที่ประกอบด้วยการเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์ โดยปริยายนี้แหลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุทุติยฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนุษการที่ประกอบด้วยวิตกยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุก์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใด สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แหละพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุตติยฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้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 โดยปริยายนี้แลพึงทราบว่านิพานเป็นสุดได้อย่างไรภิกษุบรรลุเจตุทะฌานถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอุเบกขาย่างฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกพึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใด สัญญามนุิการที่ประกอบด้วยอุเบกขาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แหลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุบรรลุอากาส า, า, า, า, านัญจายตนะฌานโดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตัสัญญาโดยประการทั้งปวงถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนุิการที่ประกอบด้วยรูปยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกพึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนุษการที่ประกอบด้วยรูปเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน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 ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยอาการสานัญจายตนะฌานเหล่านั้นย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกพึงเกิดขึ้นแกคนผู้มีสุเพียงเพื่อความกดดนันแม้ฉันใดสัญญามนุิการที่ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้น ข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แหละพึงทราบว่านิพพานเป็นสุดได้อย่างไรภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินยยัญญาญตนะฌานโดยกาหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้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 ความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกข์โดยปริยายนี้แหลเพื่องทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนัิการที่ประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานยังฟุ้งขึ้น ข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นทุกขพึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันแม้ฉันใดสัญญามนศิการที่ประกอบด้วย อ, อากินจัญญาจตนาชาเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมฟุ้งขึ้นแก่ภิกษุนั้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่ภิกษุนั้นความกดดันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าทุกโดยปริยายนี้แหลพึงทราบว่า นิพพานเป็นสุขได้อย่างไรภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิทนิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาโดยปริยายนี้แหลพึงทราบว่านิพพานเป็นสุขได้อย่างไรนิพพานนสุขสูตรที่สามจบ วีอุปมาสูตรว่าด้วยการอุปมาด้วยแม่โคภิกษุทั้งหลายแม่โคที่เที่ยวไปตามภูเขาโง่ไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระมันพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรไปยังทิศ ท, ที่ยังไม่เคยไปกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและดื่มน้าที่ยังไม่เคยดื่ม มันยันเท้าหน้าไม่สนิทดีแล้วยกเท้าหลังขึ้นจะไปสู่ทิศทางที่ยังไม่เคยไปไม่ได้กินหญ้าที่ยังไม่เคยกินไม่ได้และดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มก็ไม่ได้เมื่อมันยืนอยู่ณที่ใดพืงอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรไปยังทิศที่ยังไม่เคยไปกินหญ้าที่ยังไม่เคยกินและดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มพึงกลับมายังถิ่นนั้นโดยสวัสดีไม่ได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่โคนั้นเป็นสัตว์ที่เที่ยวไปตามภูเขาโง่ไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้เขาไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะสังนัดจากการและอสมธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกและวิจาร ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอไม่เสพไม่เจริญไม่ทําให้มากซึ่งนิมิตนั้นไม่อธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยชาญที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกหรือวิจารณ์สงบรงงะงับไปมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เธอไม่อาจบรรลุทุติยฌานละถึงเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรสังหงจากกรมและอคุสนธรรมแล้วบรรลุปถมฌานที่มีวิตกและวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอไม่อาจสังหงจากกรมและอกุสนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปธมฌานละถึงภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้พลาด เป็นผู้เสื่อมจากคนทั้งสองฝ่ายเปรียบเหมือนแม่โคที่เที่ยวไปบนภูเขาโง่ไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักเขตไม่ฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระฉะนั้นภิกษุทั้งหลายแม่โคที่เที่ยวไปตามภูเขาฉลาดเฉดียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระมันพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรไปยังทิศที่ยังไม่เคยไป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 พึงกลับมายังถิ่นนั้นโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่โคนั้นเป็นสัตว์ที่เที่ยวไปตามภูเขาฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะเที่ยวไปบนภูเขาที่ขรุขระฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันฉลาดเฉียบแหลมรู้จักเขตฉลาดที่จะสงัดจากกรรมและกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปถมฌานที่มีวิตกและวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป มีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอไม่ติดใจทุติยชาญบรรลุทุติยชาญละถึงเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติจางคลายไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสันเสริญว่าผู้มีโอเบคามีสติอยู่เป็นสุขเธอไม่ติดใจตติยฌาบนบรรลุตติยฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว เราควรบรรลุจตุตัชฌานที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอไม่ติดใจจตุตัชฌานบรรลุจตุตชฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุอากาศานัญญาตนะฌ า, า, านโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่ เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอไม่ติดใจอากาสาสนัญจายตนะฌานบรรลุอากาสาสนัญจายตนะฌานเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงอากาสาสนัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เธอไม่ติดใจวิญญาณัญจายตนะฌานล่วงอาการส า, ารัาญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดีเธอมีความคิดอย่างนี้ว่า ทางที่ดีเราควรล่วงวิญญาณัญจาจตนาชานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาจตนาชานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอไม่ติดใจอากินจัญญาจตนาชานล่วงวิญญาณัญจาจตนาชานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนาชานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่เธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดี เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงอากินจัญญาญัตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญอยู่เธอไม่ติดใจเนวสัญญานาสัญญายตนะชาญล่วงอากินจัญญายัตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญาตนะชาญอยู่เธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอธิษฐานนิมิตนั้นให้ดี เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรล่วงเนวาสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินนิโรธอยู่เธอไม่ติดใจสัญญาเวทียินนิโรธล่วงเนวาสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียินิโรธอยู่ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดสมาบัตินั้นๆั้นแลภิกษุเข้าก็ได้ออกก็ได้ เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมอ่อนเหมาะกับการใช้งานด้วยจิตที่อ่อนเหมาะกับการใช้งานเธอจึงเจริญอัปปามณสมาธิด้วยอัปปามณสมาธิที่เจริญดีแล้วเธอจึงน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เอ ง, เองซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิสษุนั้นหวังว่า เราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้และถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุเธอย่อบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุ์เนือมนุษย์เมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าพิสษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะ Bon หรือปราศจากโทสะก็รู injuries, ้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตโหดหูก็รู้ว่าโหดหูหรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคัตาก็รู้ว่าเป็นมหคัตาก็รู้ว่าไม่เป็นมหคัต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 ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างละถึงพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังอยู่ว่าเราเพึงเห็นหมู่สัตว์ละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์ละถึง พิงรู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ คาวีอุปมาสูตรที่สีจบ 5. ้าชาณสูตรว่าด้วยชาญภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าหนึ่งอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมชาญ สอาอสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยทุติยชาญสาอสุวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยตติยชาญ 4. ี่อสุวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยเจตุทัชาญ 5. อาอสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะชาญ 6. กอสุวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะชาญ 7. อาอสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากินจัญญายตนะฌาน 8. อาอสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน 9. อาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยสัญญาเวทียินิโรธเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้ว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปฐมฌานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น เพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สังัดจากการมและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อน เป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทําจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมะตะาธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกอิเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัหาความคลายกาหนัดความดับนิพพาน เธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสองยอดเบื้องตามห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั่นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนู พยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นย้าหรือกองดินสมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกรมและอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานและถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้น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 จะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั่นอีกเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยปถมชานเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยทุติยชานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นละถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยตติยชาน เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นละถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยเจตุธชาญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไวเช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจตุธชาญที่ไม่มีทุกข์และไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะละสุข์และทุกข์ได้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 เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมาตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปทิกกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในจตุทัชา น, นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย หากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอัสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุทั้งหลายนายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูพยายามยิงลูกศรไปที่หุ่นหญ้าหรือกองดินสมัยต่อมา เขาเป็นผู้หยิงลูกศรได้กไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุจจตุทชาละถึงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาละถึงที่มีอยู่ในจตุทชา น, น, นละถึงเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยจตุทชา เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้ว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะฌานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานโดยกาหนดว่าอาการหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญา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 เธอย่อมทำจิตให้กลับจากทมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากาสารนัญจายตนะฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลาย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 เขาเป็นผู้หญิงลูกศรได้ไกลยิงไม่พลาดและทำลายกายขนาดใหญ่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุอากาสานันจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตสัญญาเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาละถึง ที่มีอยู่ในอากาสานัญจายตนาชานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนชานเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนชานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นและถึงเรากล่าวไว้เช่นนี้แลวว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปได้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 ความสละคืนอุปทิกีเลทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายตนาชาณ น, นั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจะปรินิพพานในภพนั้น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 เป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากทำเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมะตะธาตุว่าภาวะที่สงบปราณีคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปทิกกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายคหนัดความดับนิพพานเธอดารงอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้น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 ดังพันนามานี้แลสัญญาสมาบัตมีอยู่เท่าใดสัญญาปฏิเวทะก็มีอยู่เท่านั้นภิกษุทั้งหลายอายตนะสองประการนี้คือเนวสัญญานาสัญญาอายตนะสมาบัตและสัญญาเวทิยิทนิโรธต่างก็อาศัยกันและกันเรากล่าวว่าภิกษุผู้ได้ฌานฉลาดในการเข้าสมาบัตฉลาดในการออกจากสมาบัตเข้าออกแล้ว พึงกล่าวอายตนะสองประการนี้ไว้โดยชอบชาณสูตรที่หจบ